ฝ่ายเขาอันเคลีซึ่งเป็นกองหน้าของรุตตะอุเห็นคงเด้งยกมาตั้งค่ายอยู่ดังนั้นก็เกณฑ์ทหารยกข้ามฟากไปทีเดียวจะเข้ารบชิงค่ายอวีเอียนอวีเอียนก็ยกออกมาตั้งอยู่นอกค่ายฝ่ายเขาอันเคลียกมาถึงก็ขับฐานให้เข้ารบได้เป็นสา ม, มารถละ่ะเพราะถือว่าทหารปีนกระเป็นของตนเนี่ยอยู่ยงคงกระพัน อีเอียนเห็นทหารตัด ก, กุญเจล่ำสังแล้วก็คงทนแกอาวุธทั้งตัวงด้วยอแะ่รถเนี่ยแคล่วคล่องว่องไวยิ่งกว่าทหารของตัวนี้นะักเพราะเกราะที่สวมใส่นะี่มันต่างกันคือไม่ใช่กรอะที่ทําด้วยเหล็กนี่เป็นเกราะที่ทําด้วยหวายก็มีความเบาคล่องตัวได้มากกว่าอีเอียนเห็นท่าจะสู้ไม่ได้ก็ลาทับมายังค่ายของบิ๊ก เขาอันกับเคลีได้ชายชนะแล้วก็ยกฐานข้าแม่น้ำกลับไปค่ายตนขันวิเยนนั้นก็ให้ทหารติดตามมาฟอดแมนดูก็เห็นทหารรุตตะกุดเราเนี่ยไม่ได้มีเรือไม่ได้มีแพประการใดอะที่จะข้ฆ่าแม่น้ำเนี่ยแต่มีตามตามคํานีว่าัานนี้เห็นแต่ขีเกราะข้ามน้ําไปได้ คือเกราะที่ทำได้ไหวานะี่ยมันก็เบาทหารเรามีก็ลอยตัวข้ามแม่น้ําได้สบายแหละมีเอ็นยมซาคความมีแล้วก็เลือดความเมี่ไปแจ้งแก่ของเบ่งห้กทราบทุกประการของเบ่งได้คฟังเดนมันก็คิดเสริงสายเหมือนกันคือเท่าที่เป็นไปโดยปกติทหารของตนที่ออกรบกันแล้วแต่จะต้องผจนกับแม่น้ําลําพานเข้าหนีหรือน้ําท่วมแต่ต้องประสบกับความตายซะเป็นส่วนมาก แม้แต่ถามเรือถลกลงไปในแม่น้ําก็จะถึงความตายเป็นอันมากพนเรียกเคลื่อนแต่งกายผิดแสนเจนมากและก็รุนรังนี่แหละจะเป็นเครื่องทวงตัวเองให้ต้น้ำตายแต่เจ้าทาั้รเหล่านี้นี่ข้ามมามเนี่ยลอยตัวข้ามน้ําได้สบายๆเนี่ยคงไม่ก็สงสัยนะก็จึงเรียกเอ๋ยขี่ครียกวคนพื้นนี้คนบ้านนี้ผิดตั้งเป็นผู้ชำนั้น ในการนำทางเนี่ยรู้จักกลุ่มประเทเราไี่ดีเนี่ยผมเองก็เรียกตัวมาถามว่าที่เหตุผลทั้งนี้มันเป็นด้วยอะไรยังไงทหารเหล่านั้นอนะ่ะกุญยลอยตัวข้าแม่น้าไปได้อะ่ะลิขีก็จริงว่าอันทหารปีนกับเปงเหล่านี้มีกำลังพลังยิ่งใส่เกราะที่ทำได้ไหวคงทนแกอาวุธเสมอตัวทุกคน อันเราจะรบพุ่งเอาชายชนะมันก็เห็นขัดสนขอให้มา ห, หาปราลาดยกกลับไปเมืองเสฉวนก่อนเถอะและเบ่งเฮกเองกก็าสิ่งแกความคิดอยู่แล้วก็คงหากล้าที่จะยกทัพติดตามเราได้ไหมลิคีกล่าวดังนี้เลยให้ยกกลับเลยเรียกว่าแพ้กันละเจอทหารตีนกัะเปงเท่านี้บอกว่าแพ้เลยคงเบ่งก็หัวเราะ แล้วก็พูดว่าเราได้ทำการล่วงมาจนถึงเพียงนี้แล้วจะเริกทับถอยไปนั้นหนักมิชอบเวลาพรุ่งนี้เราจะคิดกลมอุบายเอาใครฉันมะให้จงได้และขงเบงนั้นก็จึงจับแจ้งให้จูรุ่งกับอุเอียนเนี่ยอยู่รักษา่ขยตนเองเนี่ย จะต้องออกไปสำรวจตรวจตราดูภูมีประเศและจะได้คิดอูบายแผนการเอาชายชนะทหารวิเศษกองนี้ให้จงได้ <S <S> <S ผงเบ่งจะต้องใช้แผนการอันสำคัญวันเช้าเนี่ยผมไม่ก็ขึ้นเกวียนน้อยพาทหารกับคนสนิท แล้วก็ชาวบ้านที่พอรู้ภูมิประเทศเรานี้ดีเนี่ยเรียกไปตามริมแม่นม้ำฝ่ายขังทิพเหนือขั้นไปถึงเนินเขาขมนเบ่งก็ลงจากเกวียนน้อยเดินขึ้นไปบนเขาใหญ่แห่งยอดเขานั้นเป็นเนินสัมผานเหมือนรูปมูและบนเขาส่วนสูงเนี่ยอมีที่เปียกราบไม่ได้มีต้นไม้ ที่เน้นมีกำแพงสีรามันคงมีทางใหญ่ทางหนึ่งนี่คงเบ่งขึ้นไปบนขาวเราเห็นเนินแห่งนี้คงเบ่งก็ถามว่าเนินนี่ชื่อใดชาวบ้านก็บอกว่าชื่อตัวปัวศกก็แปลว่าเนินมูเล้ยทางใหญ่ที่ลงไปเนี่ยตรงไปถึงเมืองสํากังคงเบ่งในฟันนั้นก็มีความยินดี ก็ถิงว่าการของเราครั้งนี้เห็นจะสําเร็จเป็นมั่นงคงผมได้มาดูภูมิประเทศเข้าไว้แล้วท่านผู้นี้สา ม, มารถที่จะใช้ภูมิประเทศเนี่ยเอาใช้ชนะการฆ่าสุดได้ทุกแหงทุกแห่งทุกที่มาเลยทีเดียวบัดนี้ม า, าเห็นภูมิประเทศอย่างนี้เข้าแล้วเนี่ยก็ถึงจะพูดว่าครั้งนี้เห็นจะสําเร็จเป็นมั่นคงและผมเองเก็ลงมาขึ้นเกวียนน้อยกลับมายัางค่าย แล้วก็เรินแผกนกามเรียกมาใต้เข้ามาสั่งมาใต้ให้เอาเกวียนสิบเล่มที่บรรทุกตู้จับทาเตรียมมาแต่เมืองเสฉวนนะ่ะถือคงไม่ไี้เตรียมการมาก่อนหมดแล้วเลยนี่กวียนที่บรรทุกตู้มาเนี่ยก็ไม่มีใครรู้ว่าในตู้นี่มันมีอะไรแบบนี้แหละฝั่งมาใต้แถวตู้นั่นมาเกวียนเด็กเกวียนมาจากเมืองเสฉวนเลยเปิดเปิดตู้ออก ในตู้นั้นมีกระบอกไม้อยู่พันคือมีกระบอกกระบอกกระบอกใสไว้จำนวนพันแล้วในกระบอกนั้นน่ะก็ใส่ดินประสิวกรรมฐานคือตะวัดใส่ประทับเหล็กและดินดำไว้เป็นอันมากนี่โกหลมผงเบงเรเรียกว่าท่านเป็นผู้ต้นคิดระเบิด <c oughs> กระบอกไม้ แล้ก็บันจุประทัดเหล็กและดินดําเข้าไว้โอเบกก็สั่งมาต้ว่าท่านจงอุ้มออกเวียนสิบเร่นนี้ไปซุ่มอยู่ที่รินเนินจัวปัวศพเตรียมการไว้พร้อมในสิบห้าวันมาต้ก็รับทำอำลาของเบงไปละคือการสั่งการเนี่จะต้องละเอียดระอกกว่านี้ละ่ะแต่นี่กราฟันเซอร์สั่งแบบนี้เอาโอเบงสั่งมาต้ไปไดําเนินการแล้วจากนั้นโอเร็กจูโรงมา สั่งให้จูล่คุมทหารไปตั้งสกัดอยู่ริมทางที่จะไปมืองสํากังจัดเตรียมการไว้พร้อมมีชายคนสําคัญนี้เพื่อการใยยังไม่รู้ละเอาสั่งให้ไปสกัดทางที่จะไปมือสํากังจูโล่ก็ยกไปคนต่อไปของเบ่งเรียกอุเหยียนเข้ามาสั่งให้ไปอยู่ค่ายริมแม่น้ําโพษว่าซวยแหละแล้วก็สั่งว่า ถ้าฐานรุตัดกุดยกคมค้ า, ามารบเนี่ยก็ให้ทำเป็นแตกรอกให้ไล่ไปตามทางที่จะไปยังเมืองเขาจัวปัวฝกนี่ใครหนีไปทางนั้นถ้าเห็นธงขาวปักอยู่ที่ไหนก็ให้เข้าไปหยุดอยู่ที่นั่นอุเอียนได้ฟังดังนั้นมีรู้แจ้งในกล่อุมายความพิดกลงเม่งก็คิดน้อยใจนี่อุเอียนนี่เป็นคนอย่างนี้ถือน้อยใจ ว่าคงไม่แปรใช้ให้ไปรบเพื่อแทนเนี่ยแปรให้ตนไปรบเพื่อได้รับความอประโยชน์แก่ข่าซื้ออุยเอียนคลิกน้อยใจอย่างนี้แต่ก็เกรงอาญาก็ไม่ได้โตตอบซักไซต์ตายถามความประการใดล่ะเขาใช้ยังไงก็ต้องทําอย่างนั้นและโดยเฉพาะอุยเอียนเนี่ยกลัวอยู่คนเดียวคือฮบโรงดี่แหละ ที่ตนไม่พอใจประการใดอย่างไรก็ตามแต่ก็เกรงการอาญาหกหลงอยู่ก็ดังกล่าวแล้วแต่ตอนต้นเห็นกุยเอียงมาสามีพั ด, ด้วยคงเม่งสั่งทหารทันทีและตอนนู้นกุยเอี้ยงเด็กเกรงฮกหลวงอยู่คนเดียวเอาอย่างไรก็ตามกุยเอียงก็ต้องยกไปทำตามของเม่งสั่งให้ไปรเเผื่อแพ้แพ้ให้ถอยไปทางเขาปวดจุศเจอะทงขาปักอยู่ที่ไห น, นให้เขาอยู่ที่นั่นนี่กุยเอี้ยงรับคำสั่งไปอย่างนี้ต่อไป คเนสาให้เตียวเอเียวนี้มาตรงคุมคนที่เข้ามาเตียกกอมด้วยเนี่ยจำนวนพันคือเรียกว่าคุมพวกทรเลทั้งพวหนึ่งพันให้ไปตั้งค่ายเจ็ดค่ายรายกันไปตามริมแม่น้าจั่วปัวศกแล้วก็ปัดทมขาวไว้เป็นสำคัญนี่ก็ไปทำที่ทีให้อุยยนหนีเข้าไปอยู่นั่นเองจากคำสั่งอุยยน ให้นี้ไปทางปูตุศกเจ้ตรงขาวที่ไหนใหเขาอยู่ที่นั่นแต่แล้วสั่งอีกสามนายพลเจียวเอกเจียวนี้มาตรงให้ไปทําค่ายเจ็ดค่ายเรียงรายกันปลายปัดตรงขาวไว้เป็นสําค้ำหกหลงเตรียนการไว้ยชะนีที่นิฝดฝ่าดเบงเฮกยกมาถึงแม่นม้ําโทวซุยเห็นกองทัพผมไเบมาตั้งอยู่ดังนั้นก็ว่าแกรุตัดขุดว่า ขงเบงเียมีสติปัญญาทำคนอุบายล่อลวงต่างๆนานาประการเราจะทำศึกกับงเบ้งเนี่ยยังจะต้องกำชับฐานทั้งพวงซะ ก, ก่อนหวงว่าเมื่อรบพุ่งกับขงเบ้งนียถ้าไปถึงชายป่าเะเนินเขาถึงที่อันสำคัญเนี่ยถึงว่าได้ทีน่ะก็อย่าติดตามสําเติมเบ่งเหพวกจะเรียกว่าเหตขยะ แต่ไม่หวาดกลัวนะก็กลายเป็นผู้ไม่ประมาทต่อข่าศึกละเบ่งเฮ็กบอกกล่าวความนี้ต่รู้แต่กุดลุตแตุ่ดนั้นเรียกว่าท่านลํำพองอยู่ไม่ราทาร่านั้นคงกระพันของท่านเนี่ยฐานตีนกบเถิ่นคืออยู่โยงคงกระพันรู้แต่กุดก็ยินว่าดันยวิ ต, ตกเลยอัญชาเมืองเสฉวนเนี่ยจะมีโกดบายมากมายประการบดยอย่างไรเนะ่ยเราก็รู้อยู่แล้ว เราจะคุมทหานเป็นทับมากยกข้ามแม่น้ํานไปก่อนเราจะข่าคงเบ่ ง, งได้จนได้ส่วนตัวท่านจงเพียงแต่คุ้มทหารป้องกรารรอปลายหวังก็แล้วกันหลุดตัดกุดจะทําหน้าทีตะวีฝึกครั้งนี้และเพื่เบ็งเกเป็นกองหลังเท่านั้นแหละและวลุดตดกุดก็กยกฐานข้ามฝาไปทีเดียวเมื่อข้ามฝาไปก็ไปพบกับท่าอยอุีเเอียน อุยเอียนผู้รับคำสั่งให้มารบเพื่อความอับอายต์ตามที่ตนคิดแต่ก็ต้องทางตามคําสั่งอุยเอียนก็ยกฐานออกรบกับลุตัดกุดทีเดียวอุยเอียนต่อสู้กับลุตัดกุเดเบก้าวเพลยอุยเอียนก็ทําเป็นแพ้หนีเหล่าทหารบบก็หนีด้วยอุยเอียนหนีจนทิ้งท่ายฉากมาหนีเลยทีเดียวทหารโงก็หนีตามลุตัดกุดก็ยกข้ามกลับมาไข อีเหียนเห็นรุตักตกุฎไม่ตามอีเหียนก็ยกกลับมาอยู่ในค่ายของตนเหมือนกันครั้งรุ่งขึ้นเช้าลุตักกุฎยกฐานข้ามฝั่งมารบ ก, กับอีเหียนอีเหยียนก็ออกรบเบื้องคราวนี้รบได้เจ็ดเลยอีเหียนก็ทําเป็นแพ้ควบมา้าหนีลุตักกุฎก็ให้ฐานตามไป เป็นทางปลายประมาณแปดสิบเส้นเห็นเงียบสงบนะไม่มีผูดด้ใดมารบพุ่งตามทานแต่อย่างใดเลยฐานเหล่านี้ก็กลับมาบอกเงื่อนความทั้งพวงไปรุปตตะ ก, กุดลุตตะ ก, กุดได้ดฟันนั้นก็เกณฑ์ฐานกองใหญ่ ย, ยกตามไปเลยฝ่ายอุเอ็นเห็นลุตตะ ก, กุดใกล้มาใกล้จะทันนะ่ะก็อห้ฐานถอดกรอบเสีวิ่งหนีเข้าไปอยู่ในที่ที่มีธงขาว ก็เป็นค่ายไค่ายที่เตียวเอ็กเตียวนี้มาตรมาสร้างไว้ให้แล้วก็หนีเข้าไาอยู่ในค่ายนี้แหละฝ่ายรุกตัดกุฏิตามมาดังนั้นเห็นอุเห็นผ่ายแพ้หนีไปแลก็มีใจกำเริบโยกฐานตามไปจนถึงค่ายอุเห็นก็ออกมารบกับรูกตัดกุฏิสู้เด็กสามเพลงก็ทิ้งค่ายเสียขวบมาหนีเข้าไปอยู่ในค่ายที่สองเป็นค่ายที่มีธงขาวเป็นค่ายที่สอง ลุกตักุดก็ยกฐานร้ตามไปอีกอีเหียงก็ออกรบรบได้สามเพงก็ควบมาหนีอีกแต่อีเหียนออกรบกับลุกตักุดทำแพ้ทำแพ้เช่นนี้ถึงส5บห้าครั้งทิ้งข่ายเสียทั้งสิ้นเจ็ข่ายลุตกตักุดก็ยิงกำเริ่ควบมาออกไรขึ้นมาฐานทั้งปวงล้ําเข้ามาถึง ถึงสุสานอันสำคัญละ่ะถึงเนินเขาจัวปัวศกเห็นเป็นป่าชาัดแห่งหนึ่งลุตตัดกุดก็จีนฐานเข้าไปสอดแหนมทหารไปสอดแนมก็กลับมาบอกว่าในป่านั้นน่ะมีฐานเข้าไปซุ่นอยู่ปักธงเทียว่าเป็นอัลมาทหารมารายงานอย่างนี้เบ่งเฮกได้ฟังก็วเราะคือเบงเฮกติดมามาด้วย แล้วก็จริงว่าขงเบ้ง น, นี้เนี่ยจะดีแต่คนอุบายรบกันแต่โดยฝีมือก็หาสู้เราได้ไม่เราทําสึกครั้งนี้ก็มีชายชนะมาถึงส5บห้าครั้งวิตข่ายได้ทั้งสี่ถึงเจนะ็ข่ายทหารขงเบ้งน่ยขยัเราแล้วเรายับยันฟังกาลังขงเบ้งดีกว่าเห็นขงเบ้งจะเสียทีแกเรา ในครั้งนี้เป็นมั่นคงเบงเฮกก็รำพองในชายชนะเหมือนกันก็แต่รบมาตัวเองไม่เคยชนะเลยได้ฐานตีนตะเป็งของลุตตะกุดมารบก็มีเบงเฮชายชนะถึงสิบห้าครั้งยึดฆ่าได้ทั้งสิ้ถึงเจ็ดฆ่า ย, ยัางเนี้ยเบงเฮกรำพองในชายชนะอยู่ทีเดียวะลุตตะกุดนั้นเมื่อได้ฟังเบงเฮกไหวยับยังฟังมูกำลังของของเบงก่อนเถอะ รุตากุก็จึงสั่งให้ตั้งพักทหารอยู่ก่อนคืน รบล่อทหารรุกตักกุดอีกลุกตักกุด ก, ก, ก็ให้เบ่งใหกอยู่รักษาไขา่ตัวเองเนี่ยแต่งตัวหฮมเกราะฟันให้ดีประดับพลอยใส่รูปประคำคอขึ้นขี่ช่างนะครับเอาบรรทุของใครล่ะมักจะขี่ช่างออกรบและการแต่งตัวเนี่ยนะครับเอาระมกราะประดับพลอยนะครับ ดังที่ผมอุตส่าหเล่ว่านาตาดนตรีเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีพอก็ด่าปล่าก็กระจกแก้แวแววาวาววบอบ อ, บอกบอกนั่นแหละเอาราดีลูกตัดกูแตงตัวยอย่างนี้ขี่ช้างออกหน้าหานอีเอีนเห็นทัไมก็ร้องดานุตัดกูเป็นอันมากแล้วก็คร้นออมา ห, หนีคือล่อหนินก็ต้องบ่าไม่เจ็บลุกตัดกูเนะ่ยโกรธตาแดงดังแสงเพลินใสช้างพาฐานไว้ตามอีเอียน เห็นทงขาวปักอยู่บนเนินจั่วปัวศกูย็ยนบ้องกระทำตามคําสั่งทุกประการก็ควกมา้าหมีเข้าไปหาจุดหมายนั่นแหละือที่ทงขาวนั่นแหละลุกตักกุดก็ไล่ขึ้นไปเห็นเนินนั้นเตียนราไม่ได้มีต้นไม้เป็นที่กําลังแต่อย่างใดไม่ได้มีที่ที่คงเล่งจะซุ่มทหารไว้เลยลุกตักกุดก็ประหมาะ่าเลยพาถามไหวตามเนียนไป ก็ไปถึงทางสึ้งม้าใตา้ม้าใตา้ซึ่งอยู่นี่ม้มาใตา้นาเกวียนสิบเรื่องเกวียนมันจุกระบอกจำนวนพันในกระบอกมันประจุไป ด, ด้วยประทับเหล็กเขาเรียกประทับเหล็กและดินดํานี่ไปถึงทางนั้นพอเวลาค่ําเนี่ยลุกตักกุดก็เห็นเกวียนซึ่งม้าใต้เอาไปทิ้งอยู่กลางทางน่ะ ก็สำคัญว่าขงเบ่งทิ้งเกวียนเสี้ยแล้วก็รีกเนื้อตัวรอดไปแล้วก็เร่งยกฐานตามขึ้นไปก็ไปถึงทางที่จะไปยังเมืองสาคกัญที่ที่ซึ่งขงเบ่งให้จูโลกมากระทำการจูโลกมากระทำการโดยขนก้อนศิราปัต้นไม้ทับทางไว้หมดรูกจกอุตแล้วก็ดีใจละให้ฐานขนศิราแล้วก็ ต้ไม้ทั้งปวมเหล่านั้นจะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆก่อน่วลาตัวใหญ่ๆก็เร่งให้ทหาทรทํำลายสิ่งกีขวานละ่ะจะหนีติดตามของเบงบัดเพราะคิดว่าผมไม่คโก้หนีไปทางนั้นจู่ๆก็ให้ทหารเอาเพลิงจุดเชือ้อและจุดไม้ขึ้นเตรียมไว้นั้นลุกตัดกุดเห็นเพลิงไม้สกัดทางเข้ามาก็ตกใจก็กลับมาชา้ันจะหนีมาตายก็จุดเพลงิง เผาเกียนทิ้งฉลองเพลินเข้าไปโดยรอบแล้วก็จุดประทับเหล็กซึ่งฝังไว้นั้นระเบิดขึ้นอ่นซ น, น, นันวันไว้ทั่วเนินจัวปัวศกนั่นทีเดียวเออความนในตัวน ประทับได้จาแนกไว้เรื่องของมารใต้ไปกระทําการเนี่ยคือว่าฝังประทับเบรกเหล่านี้เข้าไว้ในหลุใหญ่แล้วหลุใหญ่เนี่ยก่อนหลังสายจํานวนฝักแคเข้าไว้มีประทับเบรกต่ตางๆนานี่เต็มทั่วบริเวณนั้นเลยทีเดียวเรียกว่าเผากันให้สิ้นละและนบับนี้เคลื่น อ, อุกขึ้นแล้วประทับเบ็กท่านปวง เพืจะเปลี่ยนเป็นคำว่าระเบิดก็คงไม่ผิดหรอกผิดขวังไว้นั่นนะ่ะหลายจำนวนปอดแก๊สสนั่งวันไวระเบิดอื้ออิงสนั่งแล้วลุกปัดกุดเห็นก็เห็นเมื่อเพลินติดขึ้นดรอบแล้วเต็มไปทั้งเนินมันกลายเป็นทะเลเพลินแล้วไม่รู้จะทําประการใดราทหารนี่แหะสิ่งที่ดีที่สุด ที่เป็นเกราะป้องกันของภัยทั้นปวงอาวุธทุกชนิดได้เป็นอย่างดีเกราะที่ทํด้วยหวายแช่น้ำมันตั้งหกเดือนเนี่ยมันก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีที่สุดแบบนี้ทาหารที่สวมเกราะเนี่ยเกราะฐานหน้ารวงเนี่ยถูกไฟเข้าก็ลุกโผล่ท่วงตัวทาหารเรานั้นทั้งสิ้นแหละลุกตักุดกับฐานตีนก็เป็นงสามหมืน ผู้รนผู้รายวุ่นวายอยู่ในทะเลเพลนตัวปลวศถึงแต่ความตายท่ำกลางกองพลงนั้นทั้งสิ้นพุ่งหลนของนม่นจุจกตดเหลียญ หมหาอุปราชมือเสฉวนซึ่งขณะนี้็นเองนะ่ยยืนอยู่บนยอดเขาสูงก็แรเหเห็นยุทธภูมิที่เป็นทะเลเพลิงนั้นสิ้นเห็นทานรุ ต, ตัดกุดต้องถูกเผาตายในกองเพลิงนั้นนะประมาณสองหมื่นส่วนที่เหลือก็ถูกประทัดเหล็กระเบิดะนาวันไว้ตัดศิรษาตัดแขนตัด ข, ขาขานอนตายอยู่กลาดเกือน เพลนลุกกระนำทั่วกลิ่นซากศพที่เหม็นไหม้นั้นฟุ้งตลบไปทั้งเนินเขาผงเบ้งยืนอยู่บนยอดเขาสูงนั้นกลิ่นควนไฟกลิ่นเหม็นไหม้สกทั้งปวงนั้นตลบขึ้นไปจนถึงและก็คิดสังเวชถือน้ำตาตกว่าเราทำการครั้งนี้ ถึงจะได้บำเหน็จความชอบสักเท่าใดก็ดีเห็นอายุเราจะสิ้นเสยเป็นมั่นคงเพราะค่าชีวิตสัตว์เสพมากมายมนะักมีคนเด่งถึงกล่าวออกมาอย่างนี้เลยทหารทั้งปวงก็เธอเห็นดังนั้นต่างก็คิดสงสารทอดใจใหญ่ไปทุกตัวคนขณะเมื่อเปลืองไม้ลุกตักกุดกับทหารทั้งปวงอยู่บนเนินจัวโพสกันน่ะ สงครามก็คงดำเนินต่อไปความสลดชงเวทใจเกิดขึ้นประกันไดอย่างไรก็ตามแต่ไม่เมื่อมันเป็นการสู้รบกันในนี้มันก็ตกเป็นอย่างนี้การสงความดำเนินต่อไปโดยผมให้เบ่งกให้เปี้ยวหนีกับหานรำหนุกท า, รรทาคนอูบายเป็นทีว่าหนีหนีไปหาเม่งเฮกยังค่ายเบ่งเฮกและให้ไปบอกกับเม่งเฮกว่าบักนี้ลุตบัดกรุบนะล้อมของเบ่งไว้ได้มั่นคงแล้ว ขระ่าวรือว่าความตายจะมาถึงตัวจึงหนีมาหาท่านขอให้ท่านเร่งยกฐานหนุนขึ้นไปเถอะนี่แผนของครามยันดาเนินต่อไปของเบ่งเฮียัวนี้มาลวงเบ่งเฮกอย่างนี้เบ่งเฮกก็คิดว่าจริงคิดว่าจริงคือตนเป็นรักษาฆ่ายอยู่รู้ตัด ก, กุดออกไปรบรละไม่ได้ข่าวอย่างเนี้ยคิดว่าจริงหรือชายชนะนัติดเป็นมาโดยตลอด กองทานุตัดกุดนี่ฐานตีนกระต่ายนี่เป็นฐานที่วิเศษที่สุดไม่เบ่งเฮตุไม่ได้สงสัยอะไรเลยก็ยกฐานขึ้นไปในเวลากลางคืนนั่นแหละขันไปถึงเนินเขานั้นเพลิงไม่เพลงิพลงอยู่แค่นั้นกลิ่นซากศพจำนวนสามหมืนนะ่ะและเชื้อเพลงิงก็มีอยู่กับศพมันทุกศพเชื้อเพลงิง ก็คือกรอบที่ทำได้ไหวายที่ฐานเรานั้นสวมใส่อยู่นั่นแหละไม่ต้องไปหาเชื้อเพลินเชือกไฟมาเพลินเตลิมจากที่ไหนหรอกกลิ่นศพน้ำมายตึงตลกไปทั้งทั่วบริเวณเบ่งเหตุตกใจจะถอยกลับลงมามาตรงเตี้ยงนี้ค่อยถานฟันกระนาดเข้าไปเบ่งเหตุนั้นกร้องขึ้นด้วยเสียงอันดัง ฐนน้ำพก็วิ่งหุวายปลอมปนไปกับทหารคอเด่งเป็นนั้นมาก เ, เกบ่งเฮกเกาะขั้วมาฟันฝ่นาฐาหนีไปไปถึงยอดเขาแห่งนีง้ก็ไปพบขงเด่งที่เกวียนน้อยคุมฐานมาสกัดอยู่ขงเด่งก็ร้องตะหวาดว่าไอ้โจรขบวนมึงจะหนีไปไหนเราเบ่งเฮกตกใจปลับมาบ้าคั้วหนี้ก็พอดีม้าตาย ยกฐานสกัดทางล้อมเข้ามาอีกจับตัวเบ่งเหตกได้มัดเอาตัวไปให้เก่ข่มเบ่ง เมื่อเบ่งฮกควบม้าหนีไปนั้นมีเป็นการกล่าวย้อนนิดนึงคือขณะที่เบ่งเฮกกำลังหนีเนี่ยคงเบ่งเนี่ยก็สั่งการให้อเป๋งเตียวเอกคุ้มฐานไปตีค่ายเบ่งเฮกณนะแม่ม้าโถวหัวสุ่ยแล้วก็จับตัวนางจบยนและสมภารพกวกไม้สิ้นและคงเบ่งก็พาฐานกลับมาค่ายว่ากล่าวแก่ฐานทั้งปวงว่าเราคิดกลอุบาย ทำการได้ชัยชนะศึกครั้งนี้แต่ฐานเลวคนหนึ่งก็มิได้เสียเมื่อรุกตะกุดไล่อุยเอียนไปถึงชายเขานั้นเราเอาแต่ธงไปปักลวงไว้ในปา่ารุกตะกุดก็สำคัญวัดมีฐานเราตั้งอยู่ในป่านั้นเป็นอันมากก็หาอาจที่จะยกตามไปไม่กลับไล่อุยเอียนขึ้นไปบนเนินเขาเราจินให้มาใตา เอาเกวียนเปล่าซึ่งบรรทุกดินไปนั้นออกทิ้งไว้กลางทางแล้วเราให้เอาประทัดเหล็กลงฝังดินร่ามสายจำนวนทำกลไม่เป็นอันมากลุกตักกุดโอหังความคิดน้อยก็เสียทีแกเราอันนลุกตักกุดแก้งมาตั้งอยู่ริมแม่น้ำโทรวสวซวยหวังจะลวงเราให้ตายด้วยน้ำร้ายในแม่น้ำ เราคิดเห็นว่าฐานุตัด ก, กุดใส่เสื้อเกราะไหวแช่น้ำมันเราจึงออเอาพลเรืร้ายออกลวงบังก็แพรรู้เสียทีแก่เราบัดนี้ฐานุตัด ก, กุดที่มีฝีมือก็พากันตายเช่นในพลเรืนี้สิ้นเราก็คิดถึงโทษตัวสังเวชใจนะเดชะผมที่เราตั้งใจําราจัการสมองพระคุณเจ้าโดยสุจริตขอแย้มีเวรต่อกันสื่อไปเลย ผมเร่งกล่าวดังนี้กับบรรดาทหารทั้งปวงนะ่ะทหารท่งนปวงในที่นั้นได้ฟันและต่างก็คํานับกราบลงแล้วก็จริงว่าอันความคิดของมหาอุปราชนิริกซึ่งระแลงนะอย่าว่าแต่มนุษย์เลยถึงปีศากระเทพ ร, รักส่วนสำแดงวิเด็ต่างๆก็หารู้ถึงตนของมหาอุปราชไม่ขณะนั้นก็พอดีกับมาใตา้ประฐานพวงนะ่ะ มัดเอาตัวเบ่งเฮกเบ่งฮิวตัวไลนางจบยงเข้ามาถึงหละผมเบ่งก็สั่งให้แก้มัดออกเสียเบ่งเฮกครั้งนี้คำมะกราลงเลยทีเดียวผมงเบงก็จีนให้เบ่งเฮกเบงฮิวตัวไลนางจบยงไปนั่งอยู่ณที่ไกลเคยไปนั่งหันหันแล้วไปหันยกโต๊ะสุราหารันเพกีคือเลี้ยงอีกเหมือนทุกคราวแหะ เมื่อสี่คนกินโต๊ะเฟตูราอยู่นั้นขนเบ่งค่อยฐานคนแต่งคนไปว่าแกเบ่งเหตุคือให้คนนึงไปพูดดิว่าแบบเนี้ยมหาุปราชแค่ปล่อยท่านละถ้าท่านใครจะทาเสร็จ ก, กับมหาอปราชดูฝีมือความคิดอีกมหาุปราชก็จะปล่อยไปให้ไปส่องสูงทหารยกมารบให้สิ่งฝีงมือจะเห็นตัวจักกันว่าผูาผ้ใดแพ้ผู้ใดชนะ ขอเบ่งแห่งานคนหไปพูดอย่างนี้เบ่งเหตุดได้ฟังนะก็คิดน้อยใจตนเองนี่แหละไม่อาจเอาชนะของเบ่งได้สักทีเดียวก็หมดสิ้นแล้วบานเนีองบริวารพวกพ้องพื่นฝูงอยากพี่น้องหนึ่งหมดแล้วคิดน้อยใจกัน้ำาตาตกเลยทีเดียวแล้วก็คิดอีกนร้ายประการแล้วก็จึงพูดออกมาว่า แต่ก่อนมายังไม่ก็ยังไม่เคยได้ยินว่าทําการเสีกันแล้วเขาจับตัวได้แล้วเขาก็ปล่อยซสียอย่างเนี้ยถึงเจ็ดครั้งเนี่ยแต่ก่อนมาก็ไม่เคยได้ยินด้วยเราเป็นคนต่านประเทศปางแดนต่านภาษากันกับท่านก็จริงแต่ยังไงก็ตานขบเจ้าก็ยังรู้จักผิดรู้จักชอบยังมีความละอายอยู่บ้า ง, งเด่กให้ไวอย่างนี้เลย ตัวเรากับภรรยาและสมัครพระพกทั้งสองจะไปกราบลงกับปีมหาอุปราชขอชีวิตจึงจะชอบเบ่งเฮกถึงกับกล่าวเช่นนี้ก็เป็นความจริงนะ่ยตั้งเจ็ดครั้งแล้วเนี่ยใน่สุเเดเม่งเฮกก็พากันมาหาของเด่นคำนับกราบลงแล้วก็ถึงว่าตัวขบะเจ้าได้ทําความผิดมหาอุปราชก็ไว้ชีวิตปล่อยไปมิเอาโทษขบะเจ้าถึงหก จนลดโทษจนอดโทษในข้าพเจ้าเถิดแต่นี้ไปเนื่อหนาข้าพเจ้าจะไม่คิดคดประหารปราชอีกซืุอไปเลยคงเ่งก็จลิ้งว่าท่านยอมอ่อนน้อมแล้วหรือยังเบงเฮกได้วางแทนที่จะตอบร้องไห้เลยแล้วก็พูดว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะยอมเป็นข้ามาหาอุปราชคือไปชั่วลูกหลานคงเบงก็เชิญให้เบงเฮกขึ้นหนังลงที่อันเดียวกัน เธอให้กินโปเซตุราอีกและขงเบงก็ตังให้เบงอีกเบงเฮ็ตั้งเจ้าเมืองอยู่ดังเก่าแต่บรรดาขุนเมืองและทหารที่เข้ามาเกลี้ยกลอมอยู่ในขงเบงนั่นน่ะขงเบงก็ขืนให้เบงเฮกทั้งสิ้นดี ไูดกับผมเบงวะมหาอุปราชมาทำการครั้งนี้ก็ลาบากแกไพร่ผลนะเบ่งเฮกจิ้มสมัครอ่อนนอมด้วยถ้ามหาอุปราชจะให้แต่เบ่งเฮกบรักษาทเมืองแต่ทู้เดียวนั้นเกือว่าเบ่งเฮ็กจะกลับกรอบนานไปจะได้ความเดือดร้อนขอให้มหาอุปราชแต่งตั้งคุณมาไว้กํากับด้วย ปีวีกล่าวขึ้นชนอย่างนี้ผมเบ่งก็จริงว่าปีาวีท่านจมฟันในเมือง น, นี้เป็นเมืองที่ผิดเทศกับประเทศของเราอยู่ถึงสามประการคือชาวเมืองนกนินแต่เนื้อสับบิดหนึ่งประการหนึ่งเรายกกองทัพมาครั้งนี้ก็ขาดที่น้องชาวเมืองเขาเซนี้เป็นอันมาก เห็นชาวเมืองจะต้องมีใจเจ็บแค้นเราอยู่เป็นประการสองอันนึงในเมือ น, นี้ก็ไม่ได้มีกฎหมายเป็นแบบอย่างธรรมเนียมเหมือนบ้านเมืองทั้งหลายทั้งปวงเขาคือผู้ไหนถ้าทาให้เจ้าโกรธแล้วเนี่ยเจ้าก็จะฆ่าใช่ไหมแต่คือกฎหมายอยู่ที่เจ้าคนเดียวใครจะทำประการใดอย่างไรนะั้นอ่ะไม่มีกฎหมายธรรมเนียมแบบอย่างบังคับนี่อีกประการหนึ่ง มันเป็นบ้านเป็นดูนนนที่ไม่มีกฎหมายเป็นสามเดชะการเนี่ยดังท่านว่าจะให้เราแต่งตั้งขุนนางหรือนายทหารผู้มีผู้ใดอยู่กำกับมันน่ะเห็นจะขัดสนผู้ที่อยู่นั้นจะต้องได้รับความดุร้อในภายหลังอันหนึ่งที่เราเคยทำมาโดยยากจับเบ่งเฮ็กถึงเจ็ดครั้งเนี่ยก็ที่เราต้องการสิ่งนี้คือให้เบ่งฮเฮ็ดเบยงสิ้นความคิด แแต่ที่มีเรายัางหนักอยู่แล้วและบัตรเบ่งเฮ ก, ก็ขึ้นฤทธิเห็นจะไม่อาจคิดก็แต่เราสูญไปมีจําเป็นต้องตั้งใจจำกับไว้หรอกเบ่งเ ก, กล่าวที่แจงแกตีวีดังนี้ในเหตุผลสามประการดังกล่าวเนี่ยข้างขวาเบ่งกในสมัครพรพวกนั้นได้ฟังคนเบ่งกล่าวที่นันแ้ น, นก็เป็นความจริงเอ่ะต่างก็ชวนกันคำนับ กำลังเบ่งลงพร้อมกันและต่างคนต่างก็ลาไปที่อยู่ชาวเืองทั้งปวงก็ปลูกสารเทภาระทํารูปผอเบ่งขึ้นวัจารึกชื่อว่าจูหูแปลแปลว่ารูปบิดาของชาวเมืองทั้งปวงนี่สร้างรูปของเบ่งถึงไปอย่างนั้นจารึกชื่อไว้ดอย่างนี้เบ่งเอกนั้นก็เลยจัดแจง หัวแหวนหัวแหวนทองเงินนองเงาของดีมีค่ามีราคาต่างๆเอาให้แก่คนไม่ไปนั้นมากและว่าตัวข้าพเจ้านี้เป็นข้าอยู่ในมหาอุตราชแม้มหาอุปราชจะมีกิจวัตรสิ่งใดก็ให้แต่ทั้นเลยถือหนังสือมาถึงข้าพเจ้าเถิดข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามทุกประกาศคงไม่ น, นได้ฟังดังนั้น ก้อยบาเหน็จรางวันแก่ฐานตามสมควรแล้วก็จด ก, กันให้อีเอียนเป็นทับมากผองเ่งคุณทหารเป็นทับหลวงยกกลับเมืองเสฉวนเบ่งเฮและชาวเมืองท่านปวงก็ตามไปส่งครันถึงแม่น้าลบซีอีเอียนเห็นเกิดลมพายุพัดอ้อนเสวากรดเดิงมาจากยอดเขาส่วนในแม่น้มันมืดเป็นหมอก แต่ข้ามไปนัก น, นขับสงมานี่เดียวแม่ก็รีถอยกลับมาบอกไปขนเด่ข ง, งขนเด่งก็ถึงเร่งยกไปจน ถ, ถึงแม่น้ำลพบุ ย, ยครันไปถึงก็เห็นเหตุอันวิปริตทั้งสิ้นนันขนเด่งก็ถามเบ่งเล็กที่ตามมาสงเนี่ยว่าเหตุผลทั้งนี้เป็นประการใดทำไมจึงเกิดวิปริตเช่นนี้ เบงเล็กก็จริงว่าแม่นมามีมีปีศาจสำแบง่งวิ้แต่ก่อนมาก็เคยเป็นอยู่เคยเป็นอย่างนี้ขอให้ท่านเอาศีษะคน49ิาศีษะนี่กลับมาเพือกระบี่ดำเอามาเส้นดวงสวงจึงจะหายเบงเล็กกล่าวแนะนำเช่นนี้ของเบงก็จริงว่า เราทําสึดมากับท่านจนสําเร็จการแผ่นดินราคขาเป็นเพียง น, นี้คนแก่แม้แต่คนหนึ่งก็ไม่ต้องตายดีมีเราเลยบัดนี้ปลับมาถึงแม่น้ําล็กซีจะเข้าแดนเมืองเราอยู่แล้วได้มาฆ่าคนแค่ น, นั้นมิชอปของดึงกล่าวอย่างซึ่เป็นความจริงคนไม่ได้ฆ่าใครเป็นมือตัวเองเลยะโกนเดียวเนี่ยและบัดนี้จะต้อง49คิวมิตเนี้ ผมบื่ไม่เอาจะใช้ยี่สิบอีผมเองก็ออกไปยืนที่เคราะหดูที่ริมฝั่งคนพายยังพักจับมืออย่างนั้นแหละแม่น้ามาก็อุ่นขึ้นพายฝันมังไปโดยทีเดียวจะข้ามไปนไหนไม่ไมด้แนนะ่ผมเองก็เรียกชาวบ้านมาสืบถามถามเรืร่องาชาวบ้านดูชาวบ้านก็บอกว่าตั้งแต่มหาอุปราชยกข้าแมน้ำมีเข้าไปแล้วเนี่ยก็เกิดเหตุอยู่ัะเนี่ยทุกวันนี้ได้ขาด แต่เวลาพบข้ามไปจนสว่างก็จะได้ยินเสียงปีศาตร้องอื้นอิไปเห็นรูปคนลอยขึ้นไปตามควันหมอกเป็นอันมากและก็มิมีผู้ใดจะบังอาจข้ามแม่น้ำไปมาได้เลยผมเด้งเด็กฟันก็จริงว่าที่เกิดเหตุครั้งนี้ก็เพราะโทษตัวเราเองเมื่อครั้งที่เราให้มาตายคุณหานพันลิงยกมานั้น ทหารทั้งปวงก็ปลาอยู่ในแม่น้ำํำนิดสิ่งแล้วเมื่อทําสุดอยู่นั้นทหารเบ่ง เ, เหตุก็ล้มปลาอยู่ในที่นี้ไม่เป็นอังมากปีศาจทั้งปวงกินผูกเวรเรากินบรรดาให้เป็นเละ ต, ต่างๆเชน่นเราจะคิดอ่านทําการคานับมวลเสวยงให้หายเป็นปกติให้จนได้ชาวบ้านทั้งหมดได้ฟังคนไม่ไหวยอย่างนั้นก็บอกแก่คนไม่ไ่ว ก็ขอให้ทันเอาศิษตะโคนส9่สิษเก้าทมาเผื่อกระมือดำมาบวงสวงนั่นแหละจึงจะหายชาวบ้านก็บอกเช่นเดียวกันวิธีการเดียวกันกับที่เบ่งเฮ็กว่าทุกประการเหมือนกันนั่นแหละคนเบ่งได้ฟังก็จริงว่าพันยาวยิตกเลยเราจะคิดอ่านทาเอง แต่ทางวิธีการของตนคือจะไม่ไม่ต้องเอาชีวิตคนให้มาตายอีกต้อง49คนอย่างเนี้ยจะไปหาใครกันละ่ะผมไม่บอกเราจะคิดอ่านเองนะแล้วผมก็ฟังเอาละ่ะ ม, ามา้าม้าเผือกกับม้าขาวม้าขาวกระดูกดำอางของกองพอได้ออาก่อยข่าม้าเผือกกระดูกดำละ่ะแล้วก็เอาแป้งเอาแป้ง เป็นศีษาคน49ศรษศรักดิมี เ, เรื่องกับเรกว่าผู้ปีปาศาจจิยยตวิญญาณทั้งหลายแผ่นเจ้ศาศีษาคนก็มีศีษาคนให้เหมือนกันนี่แต่เอาแป้งมาปั้นเป็นศิษยสคน49ศีษศักครั้นเวลากลางคืนก็ยกออกไปตัง้งไว้ที่ริมน้ำและของเบ่งก็แต่งตัวออกไปจุดพูกเพียนและประทีป49ที่ และก็แต่งหนงสือบวงสวงใีเตียวเกาดเป็นผู้อ่านเป็นใจความว่าบัดนี้พระเจ้าเหล่าเสี่ยนครองได้สมบัติได้สามปีตรงกับปีพุทธศักราชเดร้อยหกสปมีรับสั่งใช้เราผู้เป็นอุปราชให้ยกฐานมาปราบรวามข้าศึกต่างประเทศเราก็ตั้งใจสนองคุณ มีได้คิดถึงความลำบากเป็จ น, จนเป็นจราชการได้ชัยชนะขั้สุดแล้วและทหารทั้งปวงที่ ม, มีความศักดิตั้งใจมากับเราหวังจะทะลุบำรุงพระเจ้าเราเสียงยังไม่ทันสำเร็จท่านตายเสียก็มีบ้างท่านทั้งปว ง, งจงกลับไปเมืองกับเราเถิดลูกหลานจะได้เส้นทรรมนัตตามธรรมเนียมเราจะกราบถุนพระเจ้าเราเสียง ให้ระเจ้าตามบำเหน็จรงวัลแกสมาชิกพวกพี่น้องท่านใหถึงขนาดฝ่ายทหารเบ่งเหตะซึ่งตายอยู่ในที่นี้ก็วีให้เร่งหาความชอบอย่ามาวนเวียนสร้างกรรมทําให้เราลาบากเลยจงคิดถึงพระเจ้าเราเตียงสิ่งของใหาจะสมัครเป็นทุนเงี้ยเพื่อตัดแต่ก่อนและเห็นแก่เราผู้มีความศักดิ์จึงรับเครื่งเส้นของเรา แล้วกลับไปอยู่ทิมฐานเถิดนี่คือถ้อยคำที่อ่านประกาศให่กับบรรดาผู้พิพีศาจิวิญญาณผั้ไร้ที่นะร่มตายลงในยุทธภูมิแห่งเนี้ยเอาขั้นเตียวกอดอ่านนังสือมันจบแล้วคงเด่คก้อยจุดประทัดตีมาออกแล้วก็ร้องไห้รักทหารทึ่ตายมันเป็นอั น, น ได้เห็นทั้งปวงที่ตายแล้วนะเอา ก, กวามทะเบียนดาบองวิญญาณทั้งหลายแห่งหน้าที่นี้ปราสาหา์หานหานทั้งสอฝ่ายเนี่ยเห็นของบุงโศกเศร้าดังนั้นก็คิดสงสารร้องไห้รับขึ้นพร้อมกันทั้งสิ้นแหละพายุและคละื่นละลอกที่เกิดนั้นก็สงกเป็นปกติของเบิกแห็นนั้นก็มีความยินดี ข่อยทหารเอาขึ้นเส้นทั้ปวงนะ่อยไปตามน้าครั้นเวล า, ชาวเช้าคงไม่ง่อยปีมารอยกทหารข้ามฝ่าไปถึงเมืองเองเฉียงมีเป็นเขตแดนของเสฉวนล่ะก็ให้ลีคีที่ปรึกษาของเมืองเองเฉียงเนี่ยที่ผงเบ่ขอตัวเป็นผู้นาทางไปเนี่ยให้อยู่รักษาเมืองเองเฉียงแล้วก็สังไม่เห็กว่าท่านจึงพาทหารกลับไปเถิด และคลิดอ่านรักษาบ้านเมืองเอาใจทหารอย่าให้รัฐบาลทั้งปวงได้รับความเดือดร้อนเด้นเห็ตก็รับคำแล้วก็พาฐานกลับไปคงเด่งก็ยกทหารทั้งปวงกลับเมืองเสฉวนฝ่ายประเทศเราเสียง แต่งว่าขนเบ่งมีชายชันมะมือมั่น อ, องกลับมาถึงก็มีความยินดีนะก็ขึ้นรถสเสด็จออกไปรับคนเบ้ง น, นอกเมืองทางไกลา300สามร้นครั้งเห็นขนเบ่งยกมาพระเจ้าเราเสงก็สเสด็จงจักรรถยืนคอรับอยู่วินทานองค์พระมหาเกลศักด์น ะ, สะเสด็จลงจักรรถเพื่อรอรับ มีถ้าจะกล่าวกันลงไปยืดซึ้งกราวปีฝากขวัญกล่าวไว้ให้นับถือคนเม่งนับถือบิดานอ่ะพระเจ้าเราเสียงก็เสด็จมารับใหเกียรติยังสูสงียงชเนี้ยคนเม้งน่ะขื้เวีนมาเรือรยมานีก็ไม่รู้พอมาถึงที่นี่เห็นตรงนี้ก็ตกใจทีเดียวเห็นพระเจ้าเราเสด็จมายืนคอยรัอย่างเนี้ยคนเม่งก็รีบเดินจาดเกวียน เข้าไปกหวายบังคมกราบลงแล้วก็ทูลว่าเข้าไปเจ้าไปทําฝึกกับเบ่งเอกครั้งนี้มีชัยชนะปราปราม่เป็นดินราบข้าเป็นปกติสําเร็จแล้วซึ่งข้าพเจ้ากระทาการช้าไปให้พระองค์วิตกอยู่นั้นโทษข้าพเจ้าผิดอยู่แล้วขอพระองค์จป็นหัวโทษข้าพเจ้าเถิดนี่เป็นธรรมนิยมก็ต้องกลราบกันอย่างนี้ข้าเจ้าหลอกเสี่ยนน้นได้ดฟังแล้วก็เข้าไปจูมมือของเม่งขึ้นเกวียง และรวมกับเสด็จขึ้นรถกลับเข้าเมืองและพระเจ้ากระเสียงก็สั่งให้แต่งโตมาริ่งผมนึ่งและทานทั้งเปลืงแล้วก็ไปจะทานบําเหน็จรางวัลเป็นอันมากผมเบ่งก็เอาเครื่องบรรณา ก, การอย่างดีอ่าจากเมืองทั้งเปลืองถึงตีได้ทั้งสามร้อยเมืองนั่นน่ะที่เบ่งให้อ่าเหมาะมาให้ทั้งสิ้นนั่นแหละขึ้นถาวายพระเจ้ากระเสียงแล้วก็ ปราบปูนให้ประชจาทานบำเนกรองวันแต่บุตรยาทหารที่ตายไปแล้วมันเป็นอันมากทหารตั้งปวงก็มีความยินดีและต่างก็ตั้งใจที่จะทำราชการทนลุ บ, บำรุงพระเจ้าเราเสี่ยงโบยสุดเจริตเอาเป็นนัยรถสุดมันของผ่านไปละ ฝ่ายเสฉวนของเบงผู้ ถ, ถึงแผนการต่อไปของหโกโล้มของเบงมาอุตราก็หวังที่จะบทขยี่โจผีแห่งหูโตละ่ะทีนี้ร้อมากล่าวทางฝ่ายโจผีกันบ้าเอากล่าวกันย้อนความไปนิดหนึงเลยว่าขึ้นฝ่ายพระเจ้าโจผีขึ้นอยู่ณนเะมืองหูโตล์แต่ยังไม่ได้รับจารบัตินือตั้งแต่ตอนยังไม่ได้รับจารบัตินะ มีการกล่าวความย้อนไปหน่อยเกิดบุตรกับนางเอยนซีคนหนึ่งชื่อโจ ย, อย่อยมีโจย่อยลูกโจผีนางเียนซีคนนี้เดิรนอเป็นเป็ น, ร ะ, ปนระยาของนรเอื้องเสี้มา ก, ก่อนตั้งแต่เมื่อครั้งโจโฉไปฟีเรื่องเียบุนึ่โจผีเนี่ยก็ไปกับโจโฉ้วยก็เ น, นางเอยนซีเนี่ยยยมาก็กจ ได้นางมาเป็นภรรยาเอา้าครั้นต่อมาเมื่อโจโฉตายโจผีก็รับตำแหน่งมีองค์ต่อจากโจโจโฉจนเกิดท่านได้พจะสมบัติแล้วก็จึงยกนางเอี่ยนซ e ีเนี่ยขึ้นเป็นมเหสีเอกแล้วก็เอามางวีหวีบุกกรีของควีเฮงมาเป็นมาเหสีฝ่ายซ้าย นางมันรูปงามนะพระเจ้าโจผีก็รักยิ่งกูเห็นบิดาของนางกูฮวีเนี่ยคิดแค่บุตรปีของตัวเป็นใหญ่แต่ผู้เดียวก็ขอไปปรึกษากับเตียวโผขันทีนี่แค่เข้าหาพรนผู้ยากผู้ใหญ่นี่ต้องเข้าหาขังทีนะนเตียวโผขันทีก็จิงกะว่าทานยายวิปตกเลยบัดนี้พระเจ้าโจผีก็ประชวนอยู่ ขอให้านคิดอ่านกลอนอุบายทํารูปพระเจ้าโจผีเขียนปีเดือนวันเวลาใส่ลงไปในรูปแล้วเอาไปฝังไว้ใต้ที่อยู่ของนางเอียนซีไมาเอขสีเอกแล้วข้าพเจ้าจะไปจับไปขุดอารูปมันมาถวายพระเ จ, จ้าเจผีเท่านี้แหละพระเจ้าเจผีก็จะโกรนาง C, าเอียนซีไมายเลขสีเอกแล้วก็จะต้องฆ่ า, านางเอียนซีเสีย บุตรีของท่านก็จะได้เป็นใหญ่แต่ผู้เดียวมีวิธีการของขันทีผู้ทำความวิบัติมาแล้วก็จะโดนห้ำเนี่ยขันทีเตเออเตียวโถแนะนำเองวีเก่งเอกุยห็นกหิงกุ ย, ยมิงเด็ฟังดังนั้นเนี่ยก็เห็นชอบด้วยกับอุบายนี่นวิธีก็เลยทำรูกแล้วก็เขียน เวลาวันเลี้ยงปีเข้าไปแล้วก็ล่อไปคนไปฝังไว้ต่ายตำหานังเอี้ยนสีตามคำแนะนำของเตี้ยวโถ่แลแล้วเตี้ยวโถก็ไปจับทำเป็นไปจับไปกลัวไปคนจนได้รูปมันเอามาถวายพระเจ้าเจ้ผีเพื่อเจ้าเจ้าผีมิได้แจ้งในกลมอุบายมากโ็โกรธว่า น, นาง e. เอี้ยนสีกระทำฝังรูปฝังรอเว็ีบบนกาษาสเสน่ห์ยาแฝด ก็สรงหานางเอยีภรรยาหละเลยแล้วก็ตั้งนางุวของเนี่ยให้ขึ้นเป็นใหญ่แต่นางุเนี่ยไม่มีบุตรงไม่มีบุตรเห็่จยอยกบุตรผีที่เกิดจากนางเอีีเนี่ยีสติปัญญาหลักแหลมก็เอาตัวโจยอยน่มาเรียนเป็นบุตรจนอายุได้สิขวบยอนี รูศิลปศาสตร์มเนีเก่าทัน 9, และอาวุธทั้งปลืกครั้นพระเจ้าโจผีเสือลเด้กเจ็ดปีถึงปีพุทธตักราชเจ็รยบเกถึงเดีอน4รดูร้อนได้ชวนเจยอยผู้บุกออกไปประพาสป่าไล่เนื้อหวังจะหาวิชาถือหมายความแบบจก็บตุม๋มให้เกิดความทะมิธรรมัน นั้นทั้งก็ปอนเนื้อแม่ลูกออกมาจากปาพระเจ้าโจผีก็เกาพันยิงถูกแม่เนื้อมันตายลูกเนื้อตกใจคี่ผ่านหน้าโจยอยมาแต่โจยอยทิศสงสารก็จึงนิ่งอยู่พระเจ้าโจผีก็จึงถามว่าเหตุในเจ้าจึงไม่ยินเจ้าลูกกวนโจยอยก็ทูลว่าเนื้อสองตัวแม่ลูกเพราะอิก็ยิงตัวแม่นั้นตายแล้ว พระเจ้าเห็นว่าูกเนื้อนะมันเป็นกัมพะคิดสงสารนะจินนิได้ทามันตรายเพระเจ้าโจผีใบกว่างนั้นก็คิดสรุปพระไทยนะทิ้งเก่าทันเจ้แล้วก็คิดเห็นว่าบุตรของเรานี้นมีเมตตาแก่ศักด์ควรที่จะครองสมบัติได้แล้วนี่พระเจ้าโจผีไใบความคิดแบบ น, นี้ก็ถ้ได้กลับเข้าเนื้อ และพระเจอโตัผีก็ต่างโจ ย, ยเนี่ยให้เป็นเทงนวน อ, องอืหมายความว่าเป็นพระราชบุตต่างกรมครั้งถึงเดือนแปพระเจ้าจัผีประชวนไข่จับหมอพยาบาลตะไรตไรก็ไม่คลายก็จิงใหนะ้หาโจตินหนึ่งอันกุนหนึ่งซุกมาอี่หนึ่งึงเป็นคุณนางผู้ใหญ่ พรอมกับเจอยอยผู้บุกเข้ามาแต่กระเจาโจผีก็กลับว่าบัดนี้ตัวเราก็ป่วยนะเห็นจะไม่รอดแล้วเราคิดมิมจดวิเตยอยยังหนุงแก่ความนะถ้าเราหาบุญไม่แล้วท่านทั้งสามเคยทำราชการกับเราฉันงใดจงช่วยเอาใจสาราชการบ้านเมืองทะลุบำรุงบุตราวาเหมือนฉันนั้นได้เถิดคุณนานผู้ใหญ่ท่านสามได้ฟังนั้นก็ทูลว่า พระองคอย่างไม่ตกเลยเข้าพเจทั้งสามนี้จะตั้งใจทําการสนองคุณพระอง์ไปกราบเท่าสิน้นชีวิตพระเจ้าโจผีก็จึงก ล, ล่าวเราคิดประหลาดใจมะด้วยประตูเมืองใหญ่เราเนี่ยหาเอกผลประการใดก็มิได้แต่ก็ทลายหักพังลงมาเห็นเราจะสิ้นบุญกันในครั้งนี้เป็นมั่นคง นณะนั้นก็พอดีขันทีเข้ามาพูนว่าโจหิงแสเจอหเหมือนกันที่เป็นขุนนางสําหรับกําจัดศัตรูภาคตะ ว, วันออกออาจจะตำแหน่งเจาพ ญ, ญาปราบศัตรูตะ ว, วันออกเข้ามาเว้าพระเจ้าโจทีต้องหาเข้ามาและก็ส่งก็กันแสงกลับแก่โจหิวว่าท่านเป็นขุนนางผู้ใหญ่ช่วยปราบปรามท่าศึก มาแต่ลืองหูโต ย, ยังไม่ตั้งมั่นได้จนใหญ่หลวงเป็นสุขถึงเพียงนี้แบบ น, นี้เราก็ยังไม่แก่ชาราเท่าไดรนะอายุพุ่งได้สี่สิบปีครองราชหรือก็พุ่งครองราชได้เพียงเจปีเท่านี้โรคภัยก็เบียดเบียนนะเห็นจะสิ้นอายุเสียเป็นมั่นคงแล้วท่านดูภายหลังจนช่วยทนุบำรุงบุกรราโดยสุดจริต ให้เราซึ่งวิโตเมทเธิร์พูดคาท์คำพระเจ้าโ จ, าจาผีก็สวังคตโจผีปังกุยสุมาอีและเจ้าหิว ก็เชิญโ จ, โจยอยราชโอรสขึ้นเปโวราชสมบัติชื่อพระเจ้าใตา้ห้องเตะปีพุทธศักราช770ครั้งพระเจ้าโจยอยได้เสวยราชสมัติกดสั่งให้ปล่อยคนโทษสึ่งต่องจองจำอยู่นั้นให้พ้นโทษมีเป็นธํานูน แล้วก็จัดแจงแต่งการศพพระเจ้าโจผีเพื่อจะบิดาตามสมควรแล้วก็ตัางคุณนางผู้ใหญ่ผู้น้อยเป็นอันมากตามประเพณีธรรเนียม่าเจ้าโจย่อยนั้นก็ปรับกับสุมาอีว้ว่าเมืองเสเหลียงเนี่ยใกล้เมืองเสฉวนเป็นเมืองมากศึกพอผู้มีสติปัญญากล้าหาญ ร, รอกจินจะรักษาได้สูมาอี้เด็กฟังแล้วก็แต่งเรื่องราวขึ้นกราบทูล ขออาสาไปรักษาเมืองเสีเหลียนซูมาอีแตงให้รับรักปูดังนั้นพระเจ้าเจอยอยกอบพระจะทานให้ซูมาอีก็ถวายบังโคมลาไปรักษาเมืองเสีเหลียนไหวหน่วยศิวจัการมา ฝ่ายทหารสื่อข่าวอรู้โจผีตายโจ ย, อย่อยแบล็คเสมบัติตั้งซุ ม, มาอี้ให้มาเป็นเจ้าเมืองเสือเลี้ยงมาอยู่สามเมืองเสือหมิ่นนี่เป็นข่าวคราวอันสําคัญข่าวบ้านขา่ า, ขาวเมืองนี่เอาหน่วยสื่อราชการรหล่านี้ก็รีบเอาเนื้อความเนี่ยไปแก้งแก่อมเด็กผมเด็กเด็กแจ้ ง, จงนั่นก็ตกใจทีเดียว ชาวเพียวสุมาอีมารักษาเมืองเสี่เหลียงสุมาอีมาเป็นเจ้ามองเสเหลียงเนี่ยคนเป่นตกใจเลยก็ดีว่าสุมาอีนี่เป็นคนมีสติปัญญาหลักแหนะ็มนะมาตั้งอยู่เมืองเส่เหลียงแม้ท่องสุนหานได้มากแล้วเห็นจะยกมาทำอันตรายเมืองเราเป็นมั่นคงจำเราจัดยกทหารไปปีเมงหูโตตัดสุดแค่ก่องิงใจขวด สุมาอี้ซึ่งกำลังลงไม่ได้มีที่พึ่งอาศัยก็คงจะต้องหันมาพึ่งเราคองเบงคิดอย่างนี้สุมาอี้คนเก่งเป็นคนดีเป็นคนดีสติสัตญาแต่โฮหลงขนเบงจูงกระเดียงไม่ได้คิดที่จะประหารแประหารประหารขรานทีวิตเปล่าวความจริงคิดจะเอาสุมาอี้มาอยู่ด้วย นี่เป็นความคิดของท่านผู้ดีอย่างนี้คือเป็นรัูร้โตใช่ไห้เราคือมาอีไม่มีที่พึ่งเขาแล้ก็จะต้องมาพึ่งเสสวนนะมาเกมาเจกกู่นเราปีฝาฝัคนคงได้เยอะมากผู้นี้มีปัญญาหวังนั้นเแตะแต่ว่าปากนั่นมากกว่าปัญญาที่นี้มาเจกนี่ก็คิดว่าแกคนได้ว่า มาเาขราระาษยกองทัพไปรบกับไเบให้ตุนกลับมาทหารทั้งพวงยังอีกเ ด, ดยอยู่ซึ่งจะยกไปทีเมืองฮูตเตงทางไกลนั้นข้าพเจ้าห็นว่าทหารทั้นพวงจะได้รับความลำบากนะขอให้งดอยู่ก่อนเถอะข้าพเจ้าจะที่คนอุบายให้เจยอยแหละฆ่าซุมาอี้ให้จบได้มาเจกผู้มีผู้ถือตนมีสติปัญญาไกล่าวอย่างนี้เลย แต่โจยอยฆ่าสุมาอี้จยได้เนี่ยคงดึงก็ติถามว่าท่านจะทําท่านจะทํากลอุบายประการใดอะมาเจก็จรงว่าึ่งโจยอยให้สุมาอี่มาอยู่รักษาเงิเสยเหนั้นโจยอยก็คลางแคลงพระพัยอยู่หาไว้ใจสุมาอี้ไหมขเขาไปเอาคิดกลับายจะเขียนหนังสือ ให้ทหารรอดไปปิดไว้หน้าปราะตูมีโลกเอียงอยห่ที่เมืองันปวงว่าสุมาอี้คิดคบบโกเจอยอนกระสับลุมเพิ่งขึ้นครองราชสมบัติใหม่และไม่ไว้วางพระทัยสุมาอี้อยู่แล้วเมื่อรู้ขึ้นเก่นนี้ก็จะต้องฆ่าสุมาอี่เแียเป็นมั่นคงคนเบ่งได้ฟังแผนการของมาเจกเช่นนี้ก็ชอบเหน่อย กับแผนการของมาี้ก็เ ข, เขียนหนังสือเป็นใจความว่าตัวเราที่ฟูมาอี้นี่นะวิธีการพังกันนี่เขาทำอย่างนี้ตัวเราที่ฟูมาอี้เป็นคุณนายผู้ใหญ่บอกมาให้ตั้งคำโปร่งแก่เดิมก็จะวีอองนี่นี่คือโจโฉคิดจะมอบวะะัตถุสมบัติให้โจสิมีผู้ออยุยงว่ากล่าว พระเกศเกศผีกินได้รจะจายสมบัติแบบนี้พระเจ้าโศผีเหมาะสมบัติให้เก่เกยอยผู้บุตรเกยอยยังหนุ่มแก่ความนะจะทำการสิ่งใดก็ไม่ปราณีระะัษฎรเห็นจะรักษาระจะสมบัติไว้นี้ได้เราเป็นผู้เราเป็นคุณนายผู้ใหญ่จะนน่งเหนื่อแต่ดินจะมาจนก็ไม่ควรเราจรึงช่องฉุนฐานไว้เป็นอันมากจะคิดอ่านกำจับเกยอยเสียจะยกโจสิก ซึ่งเป็นบุตรพระเจ้าวีอ๋องจอเจสิทบุตรเจ้าโฉขึ้นครองพระจะสมัตรตามบัมดิของพระเจ้าวีอ๋องแม้ต่างทัางพวงยอมสมัครทำการด้วยเราก็เร่งชักชวนพร้อมกันคอยพ้าเราอยู่ถ้าผู้ใดเห็นหนังสือนี้แล้วไม่ทำตามเราเมื่อเะริจาชการแล้วเราจะตัดทิศเส้นชิ่นทันโคนีหรือว่าหนังสือเผาสุมาอี้วางนั้นเพอฮิม ใจความอย่างนี้ผมเบ่งฝังเคียนนหนังสือดีแล้วนี่ดูเถอะเขาต้องเลื่อนล ง, งไปถึงความเป็นลึกซึ้งแต่กอามนี้เลยตัแต่การเกี่ยโขนดำนิ อ, อย่างไรจะทำอน่ายไรประการใดเอาเหตุี้มาอ่านที่มันเสมผมลน่ะล้วค็ไม่ใช่สารรอบหอนังสือเนี่ยไปปิดไว้นาประตูเ ม, มืองโลกเสียงและหัเมือทงทันตวง